ันธยัสขอถวายความนอบน้อมแด่พระพันตรัไรขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายแล้วต่อไปนี้ก็จะได้ปารกธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อ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 มีร่างกายจิตใจขึ้นมาแล้วก็ต้องเสวยความทุกข์นานัประการนะทุกข์จากความเกิดเรียกว่าความเกิดก็เป็นทุกขนะ์ชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาปีตุขาความแก่ก็เป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โศกะปริเทวะทุกขะโทมนาสานังความโศกความร่ำไรลำพันธความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปายาติความขับแช้นใจเป็นทุกข์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 เมื่อมีชาติคือความเกิดก็ติดตามมาด้วยชลาความแก่มรณะความตายและความทุกข์ต่างๆได้เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์คนที่อยู่ในสภาพแก่ชลาก็จะรู้ซึ้งว่ามันทุกข์อย่างไรจะนั่ง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 เสื่อมสดความชราภาพของสังขารจะกินจะถ่ายจะหายใจมันเป็นเรื่องลาบากไปตลอดฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอุบัติขึ้นก็มีทุกข์อย่างเนี้แล้วเมื่อมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังมีความหลงขึ้นมาอีกมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังหลงในชีวิตว่า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 ย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสมาสังกปะเป็นปัญญาสมาวจาศมากรรมตะสมาชีวะเป็นส่วนของศีลสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นส่วนสมาธิสมาสติสมาวายมะก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของสมาธิ สัมมาสังกัปปะดำริชอก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของปัญญาปัญญาโดยตรงก็คือสัมมาทิฏฐิความมิรนชอบส ม, มาธิโดยตรงก็คือสัมมาส ม, มาธิฉะนั้นต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาบุคคลต้องมีศีลมีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตมีศีลมี ส, ม, ส ม, มาธิ นะมีปัญญาพูดย่อๆก็คือการเจริญสตนะิสติก็เป็นองค์มรรคองค์หนึ่งสมมตสติความรู้ชออสติระลึกที่ไหนสติต้องระลึกรู้ที่กายในกายอยู่หนึ่งเสติจะต้องระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่หนึ่งเดมสติจะต้องระลึกรู้จิตในจิตอยู่หนึ่งๆ สติจะต้องระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่หนึ่งๆดียวเรียกว่าจรรญสติปัฏฐานลงละเอียดลึกซึ้งลงไปสติจะต้องระลึกตรงต่อปรมาตธรรมหรือรูปนามหรือธาตุหรือธรอรมชาติหรือสภาวะที่กลังปรากฏสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตจิตใจกายใจ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 คือไปอยู่แค่นั้นไม่เจอปรมัตธรรมถ้าไปเกาะยึดอยู่บางคนจะเดินข้ามฟากเดินขึ้นบนสะพานถึงสะพานก็เกาะยึดสะพานอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมันก็ไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นสะพานก็เป็นเพียงแค่ผ่านเป็นแค่ที่อาศัยเชื่อมโยงไป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 เข้าไปสัมผัสปรมามัดธรรมเมื่อสัมผัสได้เป็นได้เข้าใจก็ไม่ต้องอาศัยสมมุติระลึกที่ใดก็ระลึกถึงตัวประมัดเลยถึงสภาวะธรรมเลยก็คืออย่างที่กายก็ระลึกไปที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายนี่คือตัวสภาวะ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 ไวไ้ว้ตึงๆแข็งๆอ่อนๆเย็นร้อนปวดเจ็บเมื่อยชาคันร้อนหนาวนี่นี่คือสภาวะประมัตธรรมฉะนั้นเมื่อระลึกเข้าสู่ปรมัตธรรมทางกายได้ก็ยังต้องระลึกรู้เจริญสติสัมผัสสัมพันธ์สู่ปรามะทางด้านจิตใจเพราะว่าอุปาทานมันยึดไม่ได้ยึดแต่เพราะกายมันยึดทางจิตใจด้วย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 เป็นวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความหมายอย่างนั้นอ่านีเป็นบัญญัติจิตที่คิดจิตที่นึกจิตที่รู้สึกนี่เป็นประมัตธรรมเรื่องราวของจิตเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องการงานนั่นเป็นบัญญัติที่จิตไปนึกถึงไปคิดถึงเรื่องต่างๆความคิดความนึกเป็นประมัดเป็นสภาวะเรื่องราวเป็นบัญญัติ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 ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเธอ